ภายในตัวเองมาก็ยังพอทำเนาเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เข้าป่าดงอนโลกชัดไปแล้วบางทาง่านจะเคยเห็นทุ่งเห็นนาอะไรที่ว่างๆอยู่มันก็ยังเกิดความสังขัญขึ้นมาเหมือนอย่างว่าในโลกนี้จะไม่มีที่ว่างเลยมีแต่ป่าดงอนโลกชัดอย่างนี้ไปหมด กินนี่ก็ขนาดที่อยู่ในความมืดมุนอนุนทการมันก็เป็นลนักษณะนี่เหมือนกันแต่เมื่อหยุดได้ถึงที่วงว้างโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเพราะความผ่านพ้นไปหมดแล้วนั้นก็เหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนกัน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 โรคแม้จะมีก็จะก็เหมือนไม่มีเลยกลายถ้าหากว่าเราจะพูดว่ากลายเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปเลยทีเดียวแต่เจ้าคาว่าธรรมดานี้ผู้สมมติก็จะไปอีกแง่หนึ่แต่คําว่าธรรมดาในธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกับธรรมดาที่เราพูดนี้เป็ น, นเพียงว่าข้อเทียบเสียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องอะไรอะไรก็ธรรมดาธรรมดานั่นั่งเด็ด เรื่องเกิดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องประสบอารมณ์ต่างๆชอบใจไม่ชอบใจโลกธรรมแปดประมาณนัเถิดมากระทบก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดนะเพราะคลายออกหมดแล้วกับสิ่งเหล่าน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 การเจริญจิตตะภาวนาแม้จะรับคำของครูอาจารย์ท่านแสดงไปในแง่ใดก็ตาม ถ, ถึงเรื่องสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเรายิดไว้พอเป็นคติเท่านั้นส่วนหลักธรรมชาติที่จะเป็นขึ้นภายในปิดของเราเนื่องจากการนำคติธรรมคติจากท่านมาปฏิบัตินั้น ให้เป็นแปลตัดตามหลักธรรมชาติของเราเราจะเอาหลักธรรมชาติที่งเกิดขึ้นตามนิจลิตนิสัยของเหล่านี้ไปเทียบกับที่ท่านแสดงเพราะการแสดงนั้นแสดงทำอย่างกว้างขวางสำหรับนานาจิตตังขึ่งมีจํานวนมากมายกายกองพุ่นง่ายประว่าจริทธิสัยงคนไม่เหมือนกันเลยแล้วความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบตัติในแง่ความรู้ความเห็นการพิจารณานี้จะให้เหมือนกันไม่ได้ แม้จะดูในวงสัจธรรมด้วยกันก็ตามแต่อาการแห่งการพิจารณาแห่งการดาเนินนั้นจะมีผิดแปลกกันอยู่เป็นลําดับลําดาตามตะดิะนิสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นอาการแห่งความสงบหรือความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงมีต่างกันความสงบที่เป็นที่ยอมรับกันด้วยกันทุกคน ไม่ว่าผลิตนิสัยใดก็ตามก็คือความสงบสุขของจิตที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี่เป็นที่ยอมรับพื่อกันเราพึงคอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอย่างนี้คำว่าสงบนั้นมีหลายประเภทสงบตามผริตนิสยัยคือสงบลงในขณะเดียวเหมือนกับความตกเหวตกบ่ออย่างนั้นคม คือ อ, อูเช่นเรากําหนดภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่แล้วก็พลิกขณะเดียวพับหายเงี่ยบไปเลยนี่คือจิตพลิกขณะเดียวเท่านั้น<ม>เหมือนกับลองตกเหนือตกบ่อแล้วปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาทีหลังเป็นขึ้นอีกแง่หนึ่งแล้วอย่างหนึ่งแนวหา ย, ยาไปเลยนะก็นี่เป็นสถิตนิสัยประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่ส่วนมากเป็นกัน ที่กล่าวผ่านมานี้เรียกว่าร้อยนั้นจะมีเพียงห้ารายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างมากเพื่ซ้ำในร้อยคนผู้มีความสงบเยอเือกเยน็นหรือเห็นผลในการสมาธิภาวนาส่วนเก้าห้านั้นจะเป็นไปลักษณะค่อยๆสงบค่อยๆเยอเือกเย็นเข้าไปโดยลาดับลำดับที่มีจำนวนมาก แล้วเราให้สังเกตดูจดิลิแสงเราว่าเป็นไปในจดิลิใดที่เป็นไปในลักษณะใดในแง่ใดในสองแง่นี้ส่วนมากจะเป็นไปในแง่ที่สองนี้คาว่าสงบคือความสงบเย็นอยู่ภายใ น, นใจิตใจใจมีมีที่อยู่ใจมีความร่มเย็นเป็นสุข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 ภาคการหนึ่งที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเราจะปรุงแต่งไม่ได้ก็คือขนะที่จะดับดักจริงๆความคิดความปรุงเนี่ยขาดจากการหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่โดยลําพังตนเองนี่ก็ให้เป็นตามหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นขึ้นมาในตัวเองการค่ากันหมายไม่เกิดประโยชนอะไรจริงไม่ควรค่าความหมายให้ปล่อยไปตามจดิทิสัยของตนในส่วนนี้ไม่ผิด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 นีค่คือคือพูดถึงเรื่องสติเรื่องจเิตีนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันผู้นั้นท่านเป็นอย่างนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านแสดงอย่างนั้นนั่นแล้ผู้นั้นมีสมาธิอย่างนั้นจิตรวมอย่างนั้นจิตรู้เห็นอย่างนั้นนี้ให้เราเพียงฟังไว้เฉยหากว่าจริตีนิสัยเราเป็นไปในทางใดและเรื่องที่ท่านกล่าวนั้นแล้วจะจ ะ, จะเข้ามาสัมผัสเราเรารู้ในแง่ดใดแง่ที่ท่านแสดงแล้วจะเข้ามาสัมผัสจะโผล่ขึ้นมารับกันทันทีทันทีน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 ถึงจะคิดเรื่องหน้าที่การงานต่างๆก็คิดไปได้ธรรมดาแต่ไม่กวนใจเจ้ของเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ยังไม่เคยอบรมภาวนามีท่านเยาวกิจสงบถ้ามากกว่านั้นก็เป็นฐานตายกลัวอยู่ภายในจิตใจเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรก็คิดไปแต่พอย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ก็เป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดผ่องใสหรือเบานั่นเห็นดังชัดเจนภายในตัวเอง นี่เป็นที่ยอมรับตรงนี้เรียกว่ากิจสงบเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถ้าจิจเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะประยุกต์เอาเรื่องของคนนั้น <c oughs> ของคนนี้มาให้เป็นเรื่องของเราหรือเราพยายามจะทํากิจเราให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นการขัดต่อจริยนิสัยของเราแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเรียกว่าสร้าง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 นม่ปรกฏแต่คํามหายไปเลยนี้ไม่ได้หายไปแบบที่คนไม่เคยภาวนาคือคนไม่เคยภาวนานั้นมันไม่มีเลยความสุขความสบายภายใ น, ในใจิตใจแต่ทิ่นี้ที่ว่าหายจากความสงบนี้มันมีแต่จิตมันมีแต่ความรู้สึกที่จมพิจารณาอย่างเดียวมีความรุ่นเลิงมีความดุดดื่มในการพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนที่เหลือชนิดต่างๆออกจากใใจิตใจ มันยังมีความพุ้งเฟ้อเหินไปกับโลกกับตงสารอันใดเลยแม้จะได้ปรากฏเป็นความสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก็าตามเพราะความรู้อันนี้เพียนไปทางธรรมมากมายไม่ได้เกี่ยวกับโลกเลยถึงจะให้เป็นความสงบเหมือนอย่างเป็นสมาธิก็าตางแต่ก็เป็นความวุ่นกับงานเพื่อถอดถอนกิเลสต่างหานักมันคือ ก, กันที่ตรงนี้ การที่จะพยายามตะเกียบตะกายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นที่แน่ใจตนเองมีความอบอุ่น ม, มีหลักใจเป็นเครื่องยืดเป็นที่อาศัยนี้เป็นเรื่องที่ยากลาบากอยู่บ้างแต่เราพึงคํานึงเราพึงคิดถึงเรื่องงานต่างๆที่เราทําบางทีจนงานบางทีบางอันจนขนาดหัวเสียไปก็มีเรายัางอุตส่าห์พยายามทําได้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 นี่เราสังเกตจะปิดของเราตอนนี้ถ้าว่าฐานในความสงบพอที่จะรับทำพระเทศนาของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องจิตกตภาวนาทางด้านปฏิบัติมันไม่มีภายในใจฟังเทศท่านเ ท, ท่าไหร่าาก็ไม่เข้าใจยิ่งท่านเทศถึงเรื่องมรรคเรื่องผลก็ยิ่งมืดแปดทิศแปดด้านนี่แสดงว่าฐานรับภายในของเรายังไม่มี พอเริ่มมีขึ้นการปังเทศในทางภาคปฏิบัติจะเริ่มมีรสมีชาติขึ้นภายในจิตใจและมีฐานของจิตคือความสงบเป็นเครื่องเยาะเป็นเครื่องรับกันได้ดีเท่าไหร่การปังเทศทางด้านปฏิบัตินี้ยิ่งจะมีความซาบซึง้งไพเราะเพราะทิ้งหวานอยู่ภายในจิตโดยลําดับลําดับนี่แม้เราจะไม่รู้ก็าตามในสิ่งที่สั้นแสดงเรายังไม่ถึงก็าตาม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 พอจิตยอมรับแล้วเนี่ยฟังเทศอื่นๆนั้นขี้เกียด ฟ, ฟังนั่นเอาอยู่แล้วนะฟังไม่ได้น้ําได้เนื้อพูดไปนอกโลกนอกสงสารไปที่ไหนความจริงจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวทํำไมไม่พูดเพราะเรื่องศัจธรรมมันหมุนอยู่ภายกิจใจและประเทศข้างนอกจะเป็นสัจธรรมก็กจริงแต่ที่อยู่นอกมันห่างไกลจากปากจากท้องเราที่จะรับทานง่ายๆเนี่ยมันเป็นภายกนจิตเอง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 ที่เลตตันหาดับทุกไปโดยลําดับดับก็ดับในที่นี่ที่นี่นั่นที่อย่างวันนี้โรดนิโรธนะศัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ยูภายในจิตของเราหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนธรรมจักถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นธรรมศัจธรรมนี่ก็เหมือนธรรมจักถ้าเราจิตเราคิดแบบแบบโลกแบบท้งสารซึ่งไมาเคยภาวนาเลยมันก็เป็นโคงจักผันหัวใจให้เราให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาวุ่นไปหมดจนหาที่ปลดที่เปื้อนไม่ได้นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบาย ปิยบททั้งสีมีแต่ไฟเผาจิตเผาใจไฟที่เดือดขันหาสวันั้นแหละไม่ใช่ไฟอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟอันนี้นถ้าจิตของเราเป็นอัตเป็นธรรมพินิพิจณาเพื่อถอดเพื่อถอนด้วยมรรคปฏิบัติที่แล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสีนี้ก็เป็นธรรมจักรเป็นเครื่องซักฟอกสติปัญญาของเราได้เป็นอย่างดีทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะสอดถึงอ่าจะสะเทือนถึงปัญญานามพิจารณา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 เรายิ่งจะกลัวตายมากกตัวเจ็บกลัวปวดกลัวนั่นกลันี้มากนั่นแหละคือการสร้างเชี่ยนหนามขึ้นมาเสียบแทงจิงตใจของตนเองให้เกิดความท้อแทแ้เอบดีไม่ดีเถื่อตัวไปได้เพราะผิดจากหลักสัจธรรมผิดจากหลักความจ ร, รมิงปัญญามีอยู่สติมีอยู่นำมาใช้สติปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่เป็นค่าศึกนี้จนกลายเป็นนิดเป็นสหายกันได้คือต่างอันต่างจริงนะจิตไม่เคยตาย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 ทำไมร่างกายเพียงเร า, เราท่านๆนี้จะสลายไปไม่ได้ฝืนธรรมดามันไปไปทําไมเกิดประโยชน์อะไรนะการไม่ฝืนธรรมดาให้รู้ตามควาำยิงธรรมดานี่แหละคือทางทำทางโลง่งทางปลดปล่อยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยปัญญารอบตัวหาว่าจะตายในขณะที่เวทนากําลังกล้าก็รู้ก็อยู่กับเวทนาเป็นการรับจิต ด, ด้วยปัญญาโดยถือเวทนาเป็นหินรับ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 เมตนาจะมาจากทิศใดแดนใดมันก็อยู่ในขันนี้เท่านั้นอเวตนาขันเน่มันก็ชื่อขันนี้เท่านั้นนั้นมันด้นอกเหนือมาหมุมรอยมาบนเมฆคือจะมาทับเราได้ที่ไหนมันทับอยู่ภายในตัวของเรานี่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันถ้ามีสติปัญญาทันไม่ทับมีมากมีน้อยเท่าไรก็จะทราบมันอย่างชัดเจนทีเดียวอะด้วยปัญญานี่เท่านั้นนี่แหละปัญญานี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัวเอง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 จระทั่งวาระสุดท้ายเครื่องมือนี้แตกไปปัญญาก็สลายไปด้วยกันหิตที่ได้รับการชักว่ามาจากปัญญาแล้วจะไม่สลายจะมีแต่ความโปร่งใสเป็นอย่างน้อยมีความปร่งใสประจำตัวมากกว่านั้นผ่านพ้นไปเลย <S <S 1> <S 1> เอากันวาระสุดท้ายเอาเชนะอย่างสุดยอดในวาระสุดท้ายได้เราไม่ต้องไปคาดโน้นคาดนี่ว่าเป็นหญิงเป็นชาย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 รู้ อ, อ, อยู่ตลอดเวละสติปัญญาไม่ใช่เป็นของแพ้เป็นของเพื่อชนะทั้งนั้นเราเอากิเลสเข้ามาแทรกให้เป็นความแพ้ความแพ้คือกิเลสของกิเลสอยาวเอาเข้ามาแดกกับตัวมันจะทำให้เราถอยหลังเป็นกับตา ก, ก็สู้กันจนถึงขีดชื่อวันนักกบขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยเอาเอาจิงๆิงจนไม่มีสติเขาให้หามลงเปไป ถ้ายังกีสติมันเอาฟ้ามันลงไปตีไม่ได้ด่ามไ ป, ไปกูสู้กูสู้ด้วยปากก็ได้กูตีไม่ได้กูสู้ด้วยปากเอาไม้เช็ดแมงไปนักสู้มันต้องเป็นอย่างนั้นนี่เรียว่าไงเป็นเดียวไม่ถอยนี่อเมื่อต่อยเขามันได้ก็เอาปากต่อยเลยว่านี่แล้วเทียบเป็นเรื่องนักกรบคือไม่ถอยอสมุนบันลังคําสู้จนตายสู้เพื่อเรา นะไม่สู้เพื่อมันจิตมันได้เข้าใจจริงๆแล้วนี่ทีนี้จนเข้ามาอีกในข้อความที่เทือดมันตุ่นนะมันธรรมดาเนี่ยฟังเลยเราไดเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันธรรมดาทั้งหมดเป็นอยู่ก็ธรรมดามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็ธรรมดาคือจิตอันนั้นมันไม่เด็แต่เป็นภาระพลังให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลายเป็นโรคขึ้นพันนาใจอีกเลย ถึงว า, าจะตายจะไปแล้วเหลือเนี่ยไปก็เรื่องสมมุติไปต่างหากนี่มันไปที่ไหนมันก็ไปตามหลักความจริงของมันเนี่ยมันไปไหนมันก็ลงพัฒนาความจริงของมันเนี่ยอะไรคิดหายอะไรล่มจมผู้รู้กันรู้อยู่ยงี้พ า, ายในจินี้แล้วจะไปล่มจมที่ไหนผู้รู้เนี่ยเราสร้างมาเพื่อควา ม, วามารู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดจะพาคนล่มจมมีอย่างเหลเือมันประจักษ์อยู่ภายนจิตเรียกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลย ธรรมดาธรรมดา้งหมดเมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้ น, นการปฏิบัติการปฏิบัติอย่างนี้เอาละ ก, การแสดงการนี้สิ้ใ น, ในสุด